วิธีดูจิตวงเล็บเปิด16มกราคม2550ในวงเล็บ 1. จุดจุดนาที่19วงเล็บปิดหน้าที่ของเราแค่รู้ลงไปขณะนี้ความรู้สึกอะไรกำลังเกิดอยู่ในใจเราฝึกแค่นี้เองดังนั้นเราจะคอยดูความรู้สึกที่เกิดอยู่ในใจเราซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วทุกตัวจะโลภจะโกรธจะหลงจะอิจฉาจะดีใจจะเสียใจจะสุขจะทุกข์นะ เรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่มหัดดูให้รู้ทันว่าตอนนี้อะไรกำลังเกิดอยู่ในใจเราต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความสุขผ่านเข้ามาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงดีใจเสียใจอะไรทุกอย่างผ่านเข้ามาในใจเราชั่วคราวแล้วก็จะหายไปดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตมันจะสรุปไม่ใช่เราสรุปนะ จิตมันจะสรุปได้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีหรือชั่วก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวกระทั่งชีวิตเราเองก็ชั่วคราวพอเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วนี่ต่อไปจิตใจเราจะหวั่นไหวต่อโลกน้อยลงน้อยลงยังความสุขมาเราจะไม่หลงละเิงแล้วเรารู้ว่ามันชั่วคราวความทุกข์ผ่านมาเราก็ไม่ทุรนทุรายเรารู้ว่าชั่วคราว มีแต่ของชั่วคราวความทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงใจก็ยอมรับความจริงของชีวิตมากขึ้นอย่างปัญหาชีวิตทั้งหลายไหลผ่านเข้ามานะเราก็รู้อีกว่าชั่วคราวจิตใจจะไม่ทุกข์แล้วเราก็สามารถอยู่กับโลกได้แบบทุกข์น้อยลงน้อยลงวิธีปฏิบัติก็แค่หัดตามรู้ความรู้สึกของเราที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไปเรื่อยๆฝึกเท่านี้แหละหลายคนที่ฟังหลวงพ่อพูดครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งจิตตื่นขึ้นมา พอจิตตื่นขึ้นมาถึงกับอุทานกับตัวเองเลยตลอดชีวิตที่ผ่านมานี่หลงตลอดเลยแต่เดิมเราคิดว่าเรารู้สึกตัวนะแต่พอเร า, ารู้สึกตัวอย่างแท้จริงขึ้นมาแล้วเรารู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราหลงตลอดเลยเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเราไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงเลยสักทีเดียวแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตใจของเราจิตใจของเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริง